ประโยคนะที่อยู่ถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยการพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกขนะ์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกขนะ์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจนะเกิดจะรอยทั้งร้อยเนี่ยก็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 รวนทั้งความเหงานะกฎระเบียบที่แม่นี่อยาให้เราพูดคุยสนุกสนานกันนะอันนี้ก็ทุกแล้วล่ะไม่ได้ทุกกายนะแต่ทุกใจถ้านะความทุกข์ที่กาลังเกิดขึ้นกับเราหรือได้เคยเกิดขึ้นกับเรามาแล้วเนี่ยเมื่อสาหาสาเหตุก็เกือบจะลอยทังลอยก็หนีไม่พ้นนะสองอย่างนี่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 แผนดินไหวไฟไหม้นะ่ก็พัดพรากอันนี้เราเหตุการ์มีเหตุการ์เกิดขึ้นเหตุการ์นั่นเรียกว่าความพัดพรากสความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นก็คือเรารักเราพอใจนะถ้าว่ามมีมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่ปัจจัยเดียวเกิดขึ้นนี่ไม่ทุกนะเช่นพัดพรากก็จริงแต่ว่าไอ้ของที่เราพัดพรากหรูอสูญเสียไปนั้นเนี่ยเราไม่รัก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 เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่พอใจพัดพลากแค่ไหนก็ไม่ทุกจะทุกข์ก็ต่อเมื่อพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจไอ้ความรักความพอใจนี่เป็นเรื่องข้างในเป็นเรื่องความรู้สึกภายในต่อสิ่งนั้นเพราะน่าจะเห็ได้ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบสองอย่างคือเหตุการณ์ภายนอกแล้วก็ความรู้สึกภายใน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 แต่ว่าเราเฉยๆกับมันไม่ได้ยึดติดถือมันกับมันมากเมื่อถึงเวลาสูญเสียมันไปหรือพลาดพลาดจากมันไปใจก็ไม่ทุกข์ในทางเาดยกันนะความทุกข์ที่เกิดจากความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเนะี่ยอันนี้ก็ประกอบด้วย2อย่างนะก็คือ1ประสบเกิดความประสบเกิดการ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 เช่นว่าเออตำหนิก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรแก้ไขอย่างที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยนะขุมทรัพย์นะผู้ชช้ขุมทรัพย์นะผู้ที่ตำหนิเรานะผู้ที่ขนาบเราเนี่ยนะคำตำหนิคำขนาบเนี่ยมันเหมือนกับแผนที่ชีขนะ้ขุมทรัพย์นะขุมทรัพย์คืออะไรก็คือว่าความถูกต้อง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 พอเราปรับจิตปรับใจของเรานะจากความไม่รักไม่พอใจก็เป็นความเฉยๆหรือกลายเป็นความพอใจขึ้นมาหรือว่าเห็นว่าเห็นมีประโยชน์พอเจอคำตาหนิไม่ทุกข์แล้วกลับยิ้มให้กลับขอบคุณพูดที่ตาหนินะมองเข้ามืนก็เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์นะอันนี้เราไม่ทุกข์เลยนะประสบกับคาตาหนิแต่ไม่ทุกข์เพราะว่า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 คือมองว่าคาตาหนิเนี่ยเป็นของดีนะเมื่อเห็นเป็นของดีเนี่ยถูกตาหนิก็ไม่ทุกข์นะไอ้การที่คนเราเนี่ยจะไม่ถูกตาหนิเลยนี่ยากนะนี่คือสิ่งเราสิ่งที่เราต้องประสบไม่มีทางหนีพ้นแต่ประสบอย่างไรจริงจะไม่ทุกข์นะก็แทนที่จะไม่รักไม่พอใจก็เปลี่ยนเป็นรักเปลี่ยนเป็นพอใจซะมันก็ไม่ทุกข์ละนะ การรักษาบางอย่างเนี่ยนะมันทำให้เกิดความทุกข์ทั้งกายและใจนะยกอย่างในคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเวลาโดนฉายแสงโดนฉีดีมโมเข้าอ้ทุกข์มากเลยทั้งกายทั้งใจบางคนก็แพ้อย่างหนักมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลแล้วแกก็เป็นมะเร็งที่แรงมากแล้วก็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 ได้ยินกตษฎาก็เกิดความกลัวความกลัวคือความไม่ชอบความรู้สึกผลักใสพอเจอเข้าจริงๆก็ร่างกายมันก็ต่อต้านก็ เ, เกิดการแพ้อย่างแรงคนคนหนึ่งนะเจอหลังสีเจอเคีมโมแต่ว่าไม่แพ้อีกคนหนึ่งเจอนี่แพ้หนักอะไรคือสาเหตุนะ ก็ตอบว่าที่ใจนะคนหนึ่งต่อต้านจึงเกิดความกลัวต่อต้านด้วยความกลัวอีกคนนึงมองในแง่บวกว่าเออเป็นของดีเป็นแสงสวรรค์เป็นน้ำทิพยนะ์เนี่ยเมื่อต้องเจอสิ่งใดเนี่ยนะแทนที่จะเกลียดแทนที่จะผลักไสมันก็ลองปรับใจเป็นชอบมันซะชอบเพราะเห็นประโยชน์ของมันเนะ น, นียคือสิ่งที่เรานี่คือคือ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 ได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปลห ล, ลงไหลกับมันมากเพราะถ้าลห ล, าลงไหลกับมันแล้วถึงเวลาพัดพลากก็จะทุกข์หรือมองว่าเออมันก็ไม่ใช่มีมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวแนละ้วมันก็มีโทษเหมือนกันนะทรัพย์สมบัติที่มีนะมันก็เป็นภาระนะในการรักษานะมันไม่ใช่ให้แต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ทาให้เกิดความทุกข์ด้วย มีสังฆราชเจ้าองค์หนึ่งนะ เ, เมื่อสัก 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยท่านได้รับ เ, เรียกว่าชุดน้ําชานะลายครามอย่างดีเป็นของโบราณจากจีนมีลูกศิษย์มาถวาย เ, เป็นของราคาแพงเพราะเป็นของโบราณก็คงจะสองสามร้อยปีเลยนะ เป็นชุดน้ำชาเนอะเขาถวายมาเนี่ยนะท่านก็กำชับนะว่าให้เพรของนี่เป็นของดีเวลาลูกศิษย์เนี่ยจะมาทําความสะอาดนะท่านก็กำชับนะลูกศิษย์เนี่ยว่าใหร้ระมัดระวังนะเวลาล้างก็ให้ล้างระมัดระวังให้ถือดีๆนะ ท่านก็ทำางี้ทุกๆวันนะทุกครั้งนะเวลาลูกศิษย์มาทำความสะอาดไม่ว่าแถวนั้นหรือว่าทําความสะอาดถ้วยน้ําชาชุดน้ำชาเป็นที่รู้กันว่านี่ท่านนะท่านโปรดปรานชุดน้ําชานี้มากและใส่ใจกับชุดน้ําชานี้มากจะกําชับอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะท่านกําลังทรงงานอยู่นะทรงงานคือทํางานอยู่เล่นเสียงเพลง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 การมองเห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเรียกว่าอนิจจังมองเห็นว่ามันเป็นภาระมันมันเจอไปด้วยทุกขนะ์นี่เรียกว่าทุกขังนะการมองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แท้จริงนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาความจริงที่ว่าไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้ให้ความหวงแหนความรักความพอใจในสิ่ง น, นั้นเนะี่ยมันก็ค่อยๆ ค, ค, คลายลงนะ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 แต่ทำยังไงก็ต้องเจอเมื่อต้องเจอแล้วเนี่ยทํำยังไงเราจะไม่ทุกข์ใจนะก็คือปรับใจของเรานั่นแหละแทนที่จะผลักสายต่อต้านก็วางใจเป็นกลางกลางดูเวลาเราเจริญสติทําสมาธิหลายคนจะบ่นนะโอ้มันทำไม่อยากทําเลยหรือว่ามันมีปัญหาทำแล้วทุกข์เพราะว่ามันมีความฟุ้งซ่านนะ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 หาลมมากางแต่ถ้าเกิดไม่มีพัดลมล่ะถ้าเกิดไม่มีลมล่ะเนะ่เราจะต้องทุกข์เสมอไปไหมไม่จำเป็นเนะีเราก็แค่ทำใจของเรานะให้เป็นกลางกลางกับสิ่งนั้นนะใจก็ไม่ทุกข์ไปเองอ่ะเราก็พอสมควรกับเวลาอ่ะจบกันแค่นี้